วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราช2562เป็นวันที่ัทตาญาติโยมพุทธบริษัทมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ มาทําธุระของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้เพื่อประโยชน์สุขและการสิ้นสุดของความทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าธุระที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพุทธศาสนิกชน พุทธบริษัทสก็มีอยู่สองทุระด้วยกันคือหนึ่งคันธะทุระสองวิปัสนาทุระคันธะทุระแปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า 2. วิปัสนาทุระแปลว่า การนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามด้วยความวิรยิยะอุตสาหะด้วยความเพียรความพยายามด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะปรากฏตามมาตามลำดับคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจจนหมดสิ้นไปไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปนี่คือหน้าที่หรือธุระของชาวพุทธคือคันถะธุระศึกษาพระธรรมคำสอนวิปัสนาธุระปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ ตามลำดับซึ่งมีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือระดับของพระอริยบุคคลได้แก่โสดาบันสกิดาคามีอนาคามีและอรหันนี่คือผลที่จะปรากฏตามมาต่อผู้ปฏิบัติตนนี้ผู้ปฏิบัติ ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุผลก็เรียกว่าเป็นปุตุชนปุตุชนคือผู้ที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรในใจพบใจพบคือพบทั้งสามได้แก่กามพบรูปะพบและอรูปะพบ นี่คือที่เวียนไหวาตายเกิดของปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายซึ่งการเวียนไหวาตายเกิดในสังสารวัฏนี้ย่อมต้องมีความทุกข์เป็นเป็นรสชาติเพราะไม่ว่าจะไปเกิดในภพใดก็ตามจะดีหรือไม่ดีก็ตามจะต้องเจอกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็ว ถ้าไปเกิดในภพที่ดีเบื้องต้นก็พบกับความสุขแต่ต่อมาภพนั้นก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันตายเมื่อเกิดความตายขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเกิดในภพของมนุษย์ก็จะต้องมามาแก่มาเจ็บมาตายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จะเกิดมาร่ำรวยมหาสารมากน้อยเพียงไรก็ตามจะเป็นใหญ่เป็นโตมากน้อยเพียงไรก็ตามในที่สุดก็จะต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายด้วยกันทุกคนนี่คือความทุกข์ของปุถุชนผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุถึงผลของการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าคือบรรลุสู่โล ก, กุตละธร ร, ร, รมธรรมที่พาให้สัตว์โลกปุถุชนหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสาร ในสังสารวัฏจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จำเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางเป็นผู้พาไปถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้นำทางพาไปผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ในสังสารวัฏจะไม่สามารถหลุดออกไปได้เพราะไม่รู้ทางของการหลุดออกจากไตรภพนี้ว่าจะไปทางใดไปอย่างไรแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ก็จะได้เรียนรู้ทางที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้หลุดออกจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเรื่องของศาสนาที่มาเกี่ยวข้องกับพวกเราพวกเราเป็นเหมือนนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตารางที่จะไม่มีวันหลุดออกจากคุกตารางไปได้ถ้าไม่มีผู้ที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า หรือพระ อ, อริยสงสาวกมาบอกวิธีให้พวกเราได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้คุกตารางนี้ก็มีอยู่สี่ด้านด้วยกันมีกำแพงอยู่สี่ด้านด้านที่หนึ่งก็คือเกิดด้านที่สองก็คือแก่ด้านที่สามก็คือเจ็บ ด้านที่สี่ก็คือตายนี่คือกำแพงสี่ด้านที่กักขังจิตใจของพวกเราทุกคนให้ติดอยู่ในกองทุกข์เหมือนกับการติดอยู่ในคุกตารางการไปอยู่ในคุกในตารางนี้สู้การอยู่นอกคุกนอกตารางไม่ได้ อยู่ในคุกนี่จะไปไหนมาไหนจะทำอะไรก็ทำไม่ได้แต่ผู้ที่อยู่นอกคุกนอกตารางนี้จะไปไหนมาไหนก็ไปได้จะทำอะไรก็ไปได้ น, นี่คือสภาพของจิตใจของผู้ถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายพวกเราตอนนี้กำลังติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตาย ตายแล้วไม่ได้ศูนย์ที่ศูนย์ก็คือร่างกายแต่เรายังมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ศูนย์ไปกับร่างกายส่วนที่ไม่ศูนย์นี้เรียกว่าจิตใจจิตใจนี้เป็นเจ้านายของร่างกายจิตใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆ อย่างวันนี้จิตใจก็สั่งให้ร่างกายมาวัดเพื่อมาทำบุญทาทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของจิตใจไม่ใช่ประโยชน์สุขของร่างกายร่างกายนี้เป็นส่วนที่รับใช้จิตใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจนี่แหละคือผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายพอตายก็เอาไปฝังหรือเอาไปเผาร่างกายไม่ได้ไปเกิดใหม่ร่างกายกลับคืนสู่สภาพเดิมร่างกายทำมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ แล้วพอร่างกายตายไปธาตุสีก็แยกตัวกันกลับไปสู่ที่เดิมธาตุน้ำก็กลับไปสู่น้ำธาตุลมก็กลับไปสู่ลมธาตุไฟก็กลับไปสู่ไฟธาตุดินก็กลับไปสู่ดินถ้ามองที่ร่างกายก็จะไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเพราะร่างกายไม่ได้ไปเกิดใหม่ ไม่ได้ไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่แต่ถ้ามองที่ใจก็จะเห็นการเวียนว่ายตายเกิดใจผู้ที่เป็นเจ้านายของร่างกายนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเป็นมนุษย์ล่องหนแต่เรารู้ได้ว่าเรามีใจเพราะใจคือผู้รู้ผู้คิดนี้เอง ผู้ที่กำลังรับรู้เสียงธรรมอยู่ขณะนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับรู้เสียงธรรมคือใจร่างกายไม่มีความสามารถที่จะรับรู้อะไรร่างกายเป็นเพียงสะพานที่เชื่อมอสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไปสู่ใจร่างกายเป็นผู้รับรู้เสียงกลิ่นรส แล้วก็ส่งไปให้ใจเป็นผู้รับรู้พอมีเสียงมากระทบกับหูก็จะมีผู้มารับเสียงนี้ส่งมาไปให้ที่ใจใจเป็นผู้รับรู้เสียงที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ขณะนี้ร่างกายนี้ไม่รู้ว่ากำลังฟังเสียงอะไรเพียงแต่ทาหน้าที่ส่งเสียง ไปให้กับผู้รู้ผู้รับฟังก็คือใจร่างกายนี้จึงเปรียบเหมือนกับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่รับเสียงสัญญาณเข้ามาในเครื่องแล้วก็ส่งเป็นเสียงให้กับผู้ใช้โทรศัพท์ได้ได้ยินเสียงรับภาพที่เข้ามาทางกล้องเพื่อให้ผู้ที่ ดูกล้องได้เห็นภาพเนี่ยแต่ตัวกล้องเองมันไม่รู้ว่ามันรับเสียงอะไรมารับภาพอะไรมามันเพียงแต่ทำหน้าที่รับเสียงรับภาพผู้ที่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเป็นภาพอะไรคือเจ้าของกล้องเจ้าของโทรศัพท์นั่นเองเใจก็เหมือนกับเจ้าของกล้องเจ้าของโทรศัพท์มือถือ ส่วนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกล้องเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเพียงแต่ทำหน้าที่รับรูปที่เข้ามาทางตารับเสียงที่เข้ามาทางหูรับกลิ่นที่เข้ามาทางจมูกรับรสที่เข้ามาทางลิ้นและรับสัมผัสต่างๆที่เข้ามาทางร่างกาย เช่นความร้อนความเย็นหรือสิ่งต่างๆที่มากระทบกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับ อ, อข้อมูลต่างๆเหล่านี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าดีไม่รู้ว่าชั่วไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษไม่รู้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ผู้ที่รู้นี่คือใจผู้ ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆหลังจากที่รับรู้สิ่งให้เข้ามากระทบกับร่างกายเช่นถ้าได้เห็นสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใจคิดว่าดีใจก็จะสั่งให้ร่างกายไปหามาไปเอามาเช่นเวลาเห็นเสื้อผ้าเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นรถเกง๋งเห็นคอนโด เห็นอะไรต่างๆพอใจเห็นใจรับรู้ภาพที่เห็นก็เกิดความชอบขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาก็อยากจะได้ความสุขแบบนั้นให้มาอยู่กับใจไปนานๆใจก็สั่งให้ร่างกายไปหามาเห็นรถเก๋งสวยๆอยากได้ก็สั่งให้ร่างกายไปซื้อมาอยาก ได้รองเท้าอยากได้กระเป๋าก็สั่งให้ร่างกายไปซื้อมา น, นี่คือคนสองคนที่อยู่ร่วมกันแต่ทําหน้าที่ต่างกันออใจเป็นผู้สั่งเป็นผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆเป็นผู้รับรู้ความสุขความทุกข์ต่างๆที่มาสัมผัสผ่า น, านทางร่างกาย อ, อื แล้วใจก็ใช้ร่างกายไปทำสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความสุขหรือเพื่อให้กาจัดความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมานี่คือใจใจนีไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายจะเรียกว่าใจเป็นมนุษย์ล่องหนก็ได้เพราะเราจะไม่มีวันเห็นใจเหมือนกับเห็นร่างกายได้ ใจไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ใจมีความรู้สึกนึกคิดใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายเป็นผู้ที่จะไปเกิดใหม่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปทำไมใจจึงต้องไปเกิดใหม่เพราะใจยังมีความอยาก หาความสุขผ่านทางร่างกายนั้นเองเวลามีร่างกายก็สามารถสั่งให้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้อยากจะมีความสุขจากการไปเที่ยวก็สั่งให้ร่างกายไปเที่ยวอยากจะมีความสุขจากการดื่มจากการรับประทานก็สั่งให้ไปดื่มไปรับประทานอยากจะมีความสุขจากการดูการฟัง ดูภาพยนตร์ดูละครอยากจะมีความสุขจากการฟังเสียงเพลงชนิดต่างๆก็สั่งให้ร่างกายไปดูภาพยนตร์ไปฟังเพลงกันนะอยากจะมีความสุขกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องมีร่างกายมีร่างกายพาไปหาคนนั้นคนนี้ที่เราอยาก ที่ใจอยากจะอยู่อยู่ใกล้ชิดอยากจะมีความสุขกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องมีร่างกายถึงจะสามารถทําตามความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้ได้ใจจึงต้องพึ่งร่างกายต้องอาศัยร่างกายเป็นเขิงเป็นเครื่องมือเหมือนกับผู้ที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหน จำเป็นจะต้องอาศัยรถยนต์เป็นเครื่องมือพาไปจะมาที่นี่ได้ก็ต้องมีรถยนต์พามาแต่ถ้าไม่ต้องการจะมาที่นี่ก็ไม่ต้องกมีรถยนต์พามาใจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่ตอนนี้ใจเกิดกันเพราะใจมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกาย พอร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ดำเนินการหาความสุขต่อไปใหม่นั่นเองเหมือนกับผู้ที่ใช้รถยนต์เพราะว่าต้องเดินทางไปไหนมาไหนเพราะอยากจะไปนั่นไปนี่ก็ต้องมีรถยนต์เป็นพาหนะพาไป ถ้าเวลารถยนต์เสียหรือพังไปก็ต้องไปหาซื้อรถยนต์คันใหม่เพราะว่าการอยากจะเดินทางไปไหนมาไหนยังมีอยู่ภายในใจนีก็จะต้องเปลี่ยนรถยนต์ไปเรื่อยๆรถยนต์คันนี้พังก็เปลี่ยนรถใหม่เพราะผู้ใช้รถยนต์นี้ยังมีความต้องการที่จะไปไหนมาไหนอยู่นั่นเองแต่ถ้าผู้ใช้รถยนต์นี้ ไม่มีความต้องการจะไปไหนมาไหนแล้วรถยนต์ก็จะหมดความสำคัญไปถ้าไม่ต้องการไปไหนมาไหนมีรถยนต์ไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีก็จอดทิ้งไว้เฉยๆทำให้เป็นภาระไปเปล่าๆชันใดใจของผู้ที่ไม่มาเกิดใหม่ก็คือใจของผู้ที่ไม่มีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไป ท ำ, ทำไมจึงมีใจที่ไม่อยากมาเกิดมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็เพราะว่าเป็นใจที่คิดเป็นเป็นใจที่เห็นโทษของการมีร่างกายว่าการมีร่างกายถึงแม้ว่าจะใช้ร่างกายพาไปหาความสุขชนิดต่างๆได้แต่ร่างกายมันก็มีพิษมีภัยในตัวของมันเอง ร่างกายเป็นเหมือนกับลูกระเบิดระเบิดเวลาที่มันจะระเบิดใส่ผู้ที่ไปครอบครองมันระเบิดของร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บความตายนี้เองแม้ว่าใครก็ตามพอได้ร่างกายมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอลูกระเบิดที่จะระเบิดขึ้นในร่างกายนี้เวลาร่างกายแก่นี้เป็นอย่างไรสุขหรือทุกข์เนี่ย เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเวลาร่างกายตายเป็นอย่างไรก็เป็นทุกนั่นเองผู้ที่คิดเป็นก็จะเห็นโทษของการมีร่างกายถึงแม้ร่างกายจะมีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจคือสามารถพาจิตใจไปหาความสุขชนิดต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ แต่ในขณะเดียวกันร่างกายก็มีโทษอันยิ่งใหญ่ที่เป็นโทษมากกว่าเป็นสุขก็คือความแก่ความเจ็บความตายนี้เองหรือการพัดพากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปเวลานั้นเราจะเห็นใจร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจกันเวลาที่เขาต้องเจอกับการสูญเสีย สิ่งที่เขารักไปบุคคลที่เขารักไปหรือเขาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาต้องตายไปต อ, อนนั้นเราจะเห็นความทุกข์ของใจอย่างชัดเจนผู้ที่เห็นความทุกข์ของร่างกายและไม่ต้องการที่จะต้องกลับมาเจอความทุกข์แบบนี้ก็ต้องหยุดความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข ด้วยการไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขนี้มีอยู่สองรูปแบบในโลกนี้แต่พวกเราส่วนใหญ่จะรู้จักความสุขรูปแบบเดียวคือความสุขผ่านทางร่างกายเวลาเราอยากจะมีความสุขเราก็ใช้ร่างกายพาไปหาความสุขกันถ้าเราสุขด้วยการดูเราก็ไปหาอะไรดูกัน ถ้าเราสุขด้วยการฟังเราก็ไปหาอะไรฟังถ้าเราสุขด้วยการดืม่มด้วยการรับประทานเราก็ไปหาอะไรดืม่มหาอะไรรับประทานกันเร า, เ า, เาต้องใช้ร่างกายตาบใดที่เราต้องใช้ร่างกายเราก็ต้องเจอความแก่ของร่างกายเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและเจอความตายของร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะเจอกันแต่ก็ไม่มีใครห้ามได้พอมีร่างกายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจอกันทุกคนเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายกันผู้ที่จะไม่ต้องการเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายก็ต้องเลิกมาเกิดต้องเลิกมามีร่างกายนั่นเองและการจะเลิกมีร่างกายได้ก็ต้องมี การหาความสุขในรูปแบบใหม่ในรูปแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนความสุขในโลกนี้ที่ได้พูดไว้มีสองรูปแบบความสุขที่หาผ่านทางร่างกายและความสุขที่ไม่ต้องหาผ่านทางร่างกายความสุขที่หาได้โดยตรงของใจเองหาได้ด้วยใจใจไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุข ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ใจสามารถจะหาได้ความสุขแบบนี้ดีกว่าความสุขที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะความสุขแบบนี้จะไม่เจอความแก่จะไม่เจอความเจ็บจะไม่เจอความตายเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหายไปไม่มีวันหมดไป ถ้าสามารถหาความสุขจากใจได้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากทางร่างกายอีกต่อไปเมื่อมีความสุขภายในใจไม่ต้องหาความสุขทางร่างกายก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปมีร่างกายอีกต่อไปพอร่างกายอันนี้ตายไปผู้ที่มีความสุขภายในใจก็ไม่ต้องไปหา ร่างกายอันใหม่เพื่อไปเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปเมื่อไม่ใช้ร่างกายก็ไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เมื่อไม่มีร่างกายอันใหม่ก็ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายอันใหม่ทุกครั้งที่มีร่างกายนี้จะต้องมีความทุกข์ทุกตั้งแต่เกิดมาเลยเพราะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ต้องหายใจต้องมีอะไรต่างๆมาคอยเลี้ยงดูร่างกายคือปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้ากาดสิ่งนี้เมื่อไหร่ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีและการหาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งเพราะจะต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการไปหาสิ่งต่างๆมา เพราะสิ่งต่างๆมันไม่มาหาเราเราต้องไปหามันต้องการอาหารก็ต้องไปหาอาหารต้องการเครื่องนุ่งห่มก็ต้องไปหาเครื่องนุ่งห่มต้องการที่อยู่อาศัยก็ต้องไปหาที่อยู่อาศัยต้องการยารักษาโรค ก, ก็ต้องไปหายารักษาโรคมาะะแล้วการจาระหาสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เป็นของง่าย มันไม่เหมือนกับฝนฟ้าฝนที่ตกลงมาเพียงแต่รองมันก็ได้น้ำฝนเดิมแต่อาหารนี่ก็ต้องไปหาด้วยวิธีการต่างๆในสมัยก่อนไม่มีการซื้อขายก็ต้องไปปลูกกันเองปลูกข้าวปลูกผักถ้าอยากจะกินเนื้อสัตว์ก็ต้องไปยิงนกตกปลาไปดักสัตว์ถึงจะได้เนื้อสัตว์มารับประทาน หรือแม้เช่นนั้นก็ต้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้พอมันโตก็จะได้ฆ่ามันเพื่อที่จะได้เอาเนื้อมันมารับประทานนั้นกระบวนการของการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลยงดูร่างกายนี้มันยุ่งยากลําบากมันเป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งพอเกิดมาก็ต้องทุกข์กับการหายใจะเวลาอยู่ในท้องแม่นี้แม่หายใจแทนให้ แต่พอออกมาจากท้องแม่ปั๊บนี่พอขาดลมหายใจก็ร้องขึ้นมาล่ะเด็กพอคลอดออกมาก็ร้องก่อนเลยร้องเพราะว่าไม่มีลมหายใจเขาก็เลยต้องกระตุ้นหมอก็เลยต้องกระตุ้นให้หายใจตีตบไปที่ก้นทีหนึ่งจะได้หายใจได้พอหายใจปั๊บก็หยุดร้องไห้ไปเพราะมีลมหายใจเดี๋ยวก็หิวน้ำหิวนมขึ้นมาก็ร้องขึ้นมาอีก การร้องนี่ไม่ได้บอกว่าเป็นความสุขการร้องนี้บอกว่าเป็นความทุกข์เพราะเวลาหิวน้ำมันก็ทุกข์เนี่ยหิวก็อาหารมันก็ทุกข์เนี่ยถ้ามันหนาวขึ้นมามันก็ทุกข์ร้องอีกแล้วเดี๋ยวพอมันปวดท้องขึ้นมาก็ร้องอีกเนี่ยนี่มีแต่ความทุกข์ตั้งแต่เกิดมาเลยถ้าไม่ศึกษาไม่คิดดูก็จะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าพิจารณาจริงๆจะเห็นว่าการมาเกิดนี้เป็นการมาหาความทุกข์นะทุกข์ตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่เลยแล้วก็ทุกข์ไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนทุกข์กับการเลี้ยงดูแล้วยังไม่พอต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่มากระทบกับกับจิตใจอกีกเห็นอะไรอยากได้เวลาอยากแล้วไม่ได้ก็เสียใจอกีกน้อยใจอกีก เวลาใครเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีก็ทุกข์อีกเจอแต่ความทุกข์เยอะแยะไปหมดก็พอมาเกิดแล้วจะต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้นอกจากต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายแล้วยังต้องมาเจอกับภัยต่างๆรอบด้านภัยทางธรรมชาติน้ำท่วมไฟไหม้พายุอะไรต่างๆภัยทางเชื้อโรคมีเชื้อโรคระบาด มีโรคนั้นโรคนี้ต้องคอยฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆแล้วก็มาเจอภัยกับคนด้วยกันคนที่เขาโกรธเราเขาก็ทำร้ายเราคนที่เขาอยากได้เราบางทีเขาก็รักเราจากพ่อแม่ไปก็มีลงพัดภาคจากพ่อแม่ถ้าเกิดเขาเห็นเราแล้วเขาอยากจะได้เอาเราไปเป็นลูก บางทีเขาก็มาขาโมยเราไปจากพ่อแม่ของเราแล้วก็เอาไปเลี้ยงดูเป็นเป็นลูกของเขาต่อไปก็มีเนี่ยนี่คือภัยต่างๆทุกต่างๆที่เกิดจากการมาเกิดนะแต่ถ้าไม่คิดก็จะไม่ไม่รู้ว่าเป็นความทุกข์กันแต่ถ้าคิดแล้วก็จะรู้ว่าการเกิดนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขแบบควันไฟได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปความสุขที่ได้จากการไปดูไปฟังอะไรพอไปดูเสร็จไปฟังเสร็จมันก็หายไปความสุขที่ได้จากการดื่มการรับประทานอะไรพอทำเสร็จมันก็หายไปก็ต้องคอยหามันอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาหาได้ก็ก็ดีใจ แต่พอเวลาหาไม่ได้ก็เสียใจอีกวันไหนอยากจะไปดูไปฟังอะไรพอดีไม่มีเงินไปไม่ได้ต้องอยู่บ้านก็เศร้าก็ซสืมเศร้าอยู่ที่บ้านหรือว่าเวลามีเงินแต่ร่างกายไม่สบายก็ไปไม่ได้หรือเวลาเงินก็มีร่างกายก็สบายแต่ต้องมีงานทำไปไม่ได้ ก็มีแต่ความเสียใจความไม่สบายใจตามมาอยู่เรื่อยๆ น, นี่คือสิ่งที่ผู้ที่ไม่อยากจะมาเกิดจะทำให้ไม่อยากจะมาเกิดถ้าไม่คิดไม่ดูก็อาจจะไม่เห็นเพราะว่ามัวแต่คอยวิ่งหาความสุขอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้คิดถึงความทุกข์ที่เกิดจากการวิ่งหาความสุขต่างๆว่ามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อร้าขนาดไหน ยิ่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศนี้ต้องทํางานกี่เดือนกี่ปีเก็บเงินเก็บทองไว้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการไปทํางานหาเงินหาทองพอได้เงินพอก็ไปเที่ยวกันอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หมดละทํางานเป็นเดือนเป็นปีเหน็ดเหนื่อยเป็นเดือนเป็นปีแล้วพอได้เงินมาก็ไปใช้เพียงอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หมดแล้ว แล้วความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็หมดพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดนะคนที่ฉลาดเมื่อมาคิดแล้วก็เห็นว่าความสุขที่ได้มากับความทุกข์ที่ได้มานี้มันไม่คุ้มกันเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพื่อได้ความสุขแบบประเดียวประเดาาได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไป แล้วพอเข้ายามแก่ยามเจ็บนี่นี่ก็ยิ่งหาความสุขไม่ได้หาความสุขยากร่างกายแก่จะไปไหนมาไหนเป็นเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้ก็ทำไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านซึมเศร้ากันเป็นโรคซึมเศร้าคนแก่ส่วนใหญ่นี่มักจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปหาความสุขต่างๆได้ เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นเองคนที่คิดอย่างนี้เป็นก็จะไม่อยากจะมาเกิดไม่อยากจะมาหาความสุขแบบนี้ก็จะไปหาความสุขอีกแบบหนึง่งความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วจะมีความสุขอีกแบบหนึง่งที่ดีกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกาย เพราะจะไม่เป็นความสุขแบบควันไฟเป็นความสุขที่จะตั้งอยู่ได้นานแล้วเมื่อรู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้แล้วก็สามารถหาได้เวลาที่มันหมดหรือเวลาที่มันหายไปแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือเพียงแต่ทําใจให้สงบทําใจให้นิ่ง ความสุขที่ดีกว่าก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าสามารถสร้างความสุขแบบนี้ให้อยู่คู่กับใจไปได้อย่างถาวรก็จะไม่มีความเป็นที่จะความจำเป็นที่จะต้องไปมีร่างกายเพื่อหาความสุขแบบเดิมอีกต่อไปเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปนี่แหละคือ การหาความสุขของพระพุทธเจ้ากับของพระอริยสงสาวกทั้งหลายหลังจากที่ท่านได้คิดได้เห็นโทษของการหาความสุขผ่านทางร่างกายว่าเป็นความสุขที่ไม่ถาวรว่าเป็นความสุขที่จะต้องสิ้นสุดลงและจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ ท่านก็เลยหัดมาเปลี่ยนหาวิหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้ต้องอาศัยการมีศีลต้องมต้องรักษาศีลคือต้องห้ามใจไม่ให้ไปใช้ร่างกายหาความสุขนั่นเองศีลที่ผู้ต้องการหาความสุขทางใจเป็นศีลเป็นข้อห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางร่างกาย คือศีลแปดนั่นเองศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกันไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานเหมือนกับรับประทานยารับประทานตามเวลาตามความต้องการของร่างกายเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ห้ามไปหาความสุข จากการไปดูไปฟังไปเที่ยวไปเล่นห้ามหาความสุขจากการไปเสริมสวยความงามของร่างกายห้ามหาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องยุติสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขทางใจคือต้องยุติการหาความสุขทางร่างกาย จึงจำเป็นจะต้องถือศีลแปดต้องถือศีลสิบหรือศีลสองร้อยยิบเจ็ดหรือศีลสามร้อยสิบเอ็ดนี่ข้ออันนี้เป็นข้อห้ามต่างๆไม่ให้ใจไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปหาความสุขทางร่างกายนี้มาหาความสุขทางใจใจจะเกิดความสุขขึ้นมา ก็ต้องมีการควบคุมใจต้องหยุดความคิดต่างๆของใจให้ได้ถ้าใจคิดใจก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะทำให้อยู่ไม่เป็นสุขเวลาอยากได้อะไรอยากดูอะไรอยากฟังอะไรนี้ใจจะเริ่มรู้สึกงุดกิจลำคาญใจแต่พอได้ไปดูได้ไป ฟังได้ไปกินไปเดิ่มความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจก็จะหายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวไม่นานก็เกิดความอยากอีกเพราะไปคิดถึงเรื่องที่อยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอีกก็เกิดความอยากขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราสามารถมาควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มได้ะ ความอยากมันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแล้วถ้าใจหยุดคิดได้ใจนิ่งสงบใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาภายในใจเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นนี่คือวิธีหาความสุขแบบใหม่ต้องไป รือสีลแปดต้องไปหาที่สงบต้องไปอยู่คนเดียวเพราะว่าถ้าไปอยู่หลายคนเดี๋ยวก็ชวนกันไปทำอะไรต่อไปชวนกันไปทำนู่นทำนี่เพื่อหาความสุขกันเลยต้องแยกกันไม่ให้อยู่ร่วมกันอยู่ก็ร่วมกันเดี๋ยวอดไม่ได้เดี๋ยวคุยกันไปคุยมาเดี๋ยวก็ชวนไปกินกาแฟแล้วชวนกันไปกินขนมชวนกันไปดูนั่นไปฟังนี่ ให้ไปอยู่คนเดียวแล้วไปอยู่ที่ไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังไม่มีอะไรให้กินให้ดื่มเช่นไปอยู่ตามวัดป่าต่างๆวัดป่าต่างๆนี้เขาจะมีเวลาให้กินให้ดื่มวันละหนึ่งครั้งตอนเช้าแล้วตอนบ่ายก็ให้ดื่มน้ำดื่มน้ำผลไม้ดื่มน้ำปานะดื่มน้ำชากาแฟเพื่อเสริมกาลังให้กับร่างกาย นอกนั้นแล้วไม่มีไม่มีให้ดื่มไม่มีให้รับประทานให้ไปหาความอิ่มจากการไปควบคุมจิตใจให้สงบพอเวลาจิตใจสงบนี้ความหิวต่างๆที่ใจผลิตขึ้นมาจะหายไปหมดหิวขนมหิวกาแฟหินหิวรูปหิวเสียงอะไรนี้จะหายไปหมดพอความหิวเหล่านี้หายไปหมด ใจก็เกิดความอิ่มเกิดความสุขขึ้นมาทำให้ไม่ต้องไปดูไปฟังไปกินไปเดือมอะไรทุกครั้งที่อยากจะมีความสุขอยากจะมีความอิ่มก็ไปควบคุมใจให้สงบไปนั่งสมาธิไปหยุดความคิดต่างๆพอหยุดความคิดได้แล้วใจก็จะเกิดความสงบขึ้นมามนี่หละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมา เมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านเป็นเจ้าชายเป็นราชาโอรสพ่อเป็นกษัตริย์พ่อร่ำรวยมหาศาลอยากให้ลูกมีความสุขสร้างปร า, าสาทสามฤ ด, ดูให้อยู่ไว้เปลี่ยนไปฤ ด, ดูร้อนก็ไปอยู่ที่เย็นฤ ด, ดูหนาวก็ไปอยู่ที่ไม่หนาวฤ ด, ดูฝนก็ไปอยู่ที่ไม่ไม่เปียกเพื่อให้มีความสุข ผ่านทางร่างกายแต่วันหนึ่งพระองค์ก็ทรงไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายที่พระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนเนื่องจากพ่อพระราชบิดาห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังนั้นเองไม่ต้องการให้เจ้าชายเสียทถธธาคือพระพุทธเจ้านี้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย พระรู้ว่าถ้าเห็นแล้วจะทำให้ท่านมีความไม่สบายใจแล้วจะทำให้ท่านคิดหาวิธีแก้ความไม่สบายใจแล้วท่านก็อาจจะแก้ด้วยการไปบวชนะพระเจ้าแผ่นดิษพ์พอไม่อยากจะให้ลูกไปบวชเพราะบวชแล้วไม่มีใครมาสืบทอดพระราชบัลลังก์แล้วเนื่องจากตอนที่ประสูตรมา ก็มีโหรได้ทำนายอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าถ้าอยู่เป็นกษัตริย์ต่อไปก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่จะขยายอาณาเขตของราชอาณาจักรให้กว้างใหญ่ไพศาลด้วยความสามารถในการลบราค่าฟันในการทำสงครามเพื่อยึดครองแผ่นดินต่างๆมาเป็นของตน พระเจ้าแผ่นดินพระราชบิดาจึงไม่อยากให้เจ้าชายไปบวชเพราะโหนได้ทำนายว่าถ้าไปบวชก็จะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้ า, านี่คือปยากรของโหนที่มองดูดวงชะตาของเจ้าชายสิทธัตถะว่าอนาคตนี้จะมีเป็นสองรูปแบบด้วยกัน ถ้าอยู่ในวงังอยู่เป็นกษัตริย์ก็ต่อไปจะได้เป็นมหาจากักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชก็จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาพระเจ้าแผ่นดินไม่ต้องการให้ลูกไปบวชก็เลยต้องห้อมล้อมลูกให้เห็นแต่ความสุขไม่ให้เห็นความทุกข์ไม่ให้เห็นความแก่ความเจ็บความตายเพราะเมื่อเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้ว จะทุกข์จะทุกข์แล้วก็จะอยากจะหาวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นก็จะต้องไปบวชเพราะสมัยนั้นวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ก็คือต้องไปบวชเพื่อไปหาความสุขที่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายคือไปทําใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ร่างกายจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบนี้ก็ยังมีได้ต่อไปเพราะเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เลยไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจนวันหนึ่งนี้ อยากจะรู้ว่านอกวังเป็นอย่างไรเพราะพระเจ้าแผ่นดินพระราชบิดาห้ามไม่ให้ออกไปนอกวังเพราะกลัวจะไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนั่นเองแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันมีอยู่ในใจของคนทุกคนถึงแม้จะอยู่ในวังที่มีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษก็ตามแต่เมื่อมันเห็นบ่อยๆเห็นทุกวันบรร จ, จําเจมันก็เบื่อได้ มันก็อยากจะดูว่าข้างนอกวังมีอะไรบ้างในวันหนึ่งก็เลยหนีออกไปกับมหาดเล็กคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตพระราชบิดาเพราะถ้าเขา อ, อนุญาตก็จะไม่ได้ไปเพราะพ่อห้ามไว้ไม่ให้ออกไปนอกวังพอออกไปก็เลยไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย ตอนต้นเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ถามมหาเล็กมาเล็กก็บอกก็ก็เป็นคนเหมือนท่านนี่แหละต่อไปท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปท่านก็ต้องแก่ต่อไปท่านก็ต้องเจ็บท่านก็ต้องตายพอเห็นอนาคตของตนจากภาพที่เห็นในในในร่างกายของคนอื่นก็ทำให้หูตาสว่างขึ้นมา เมื่อก่อนลหลงไหลคิดว่าจะเป็นหนุ่มไปตลอดไม่เคยคิดว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอได้ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วรู้ว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างมากแต่ก็โชคดีไปเห็นนักบวชก็ถามว่าพวกนี้เขาเป็นใครก็บอกว่าเป็นพวกนักบวชพวกที่เขา จะไปหาวิธีที่เขาจะอยู่แบบไม่ต้องทุกข์กับร่างกายได้ด้วยการไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขด้วยการไปทำใจหาความสุขจากการทำใจให้สงบ พ, พอเห็นอย่างนั้นก็เลยทำให้พระองค์มีความดีใจมีความหวังขึ้นมาว่าต่อไปไม่จะได้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าม ถ้าไปบวชได้ถ้าไปฝึกไปอยู่แบบนักบวชไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่ไม่แก่ก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปจะเจ็บไม่เจ็บจะตายไม่ตายก็ไม่เป็นปัญหาต่อใจอีกต่อไปเมื่อาาทรงรู้ทางแล้วว่า ถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บก็ต้องไปเปลี่ยนวิธีหาความสุขในที่สุดพระองค์ก็เลยตัดสินไปบวชไปตอนที่ได้ข่าวว่าได้ลูกออกมามีมาเหสีแล้มาเหสีได้คลอดลูกพระองค์รู้ว่าเวลานั้นต้องเป็นเวลาที่ต้องตัดสินใจเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะมีความผูกพัน มีความรักลูกห่วงลูกก็จะทิ้งลูกไปไม่ได้ถ้าจะไปต้องไปตั้งแต่คืนนั้นเลยตั้งแต่ตอนที่ได้ข่าวและต้องไม่ไปดูหน้าตาลูกด้วยถ้าไปดูแล้วเห็นแล้วมันจะเกิดความรักเกิดความผูกพันขึ้นมาก็เลยบอกว่าไม่ไปไม่ไม่ไปดูหนีไปในคืนนั้นเลยตอนดึกไม่บอกใครถ้าบอกก็จะถูกห้าม ก็เลยให้มหาเล็กาพาขี่ม้าพาไปถึงชายแดนพอพ้นชายแดนเขตแดนแล้วก็ให้มหาเล็กเาม้ากลับไปส่วนพระองค์ก็เดินทางต่อไปเดินไปหาพวกนักบวชเพื่อที่จะได้ไปบวชไปศึกษาไปหาวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปตอนต้นก็ไปศึกษาก็ได้ค้นพบวิธีที่จะหาความสุขแบบชั่วคราว เ, เวลาที่ทำใจให้สงบด้วยสตินี้จะสามารถทำให้ใจสงบได้แต่เป็นความสงบชั่วคราวพอสติอ่อนกำลังลงความสงบก็จะหายไปพอความสงบหายไปความสุขที่ได้ก็หายไปนี้พระองค์อยากจะรู้ว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้สุขตลอดเวลาก็ไปศึกษาไปถามครูอาจารย์หลายรูปด้วยกัน แต่ก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้สุขได้ตลอดเวลาไม่ใช่สุขแต่เฉพาะเวลาเข้าไปในสมาธิเท่านั้นเมื่อไม่มีใครรู้พระองค์ก็เลยต้องไปค้นคว้าหาดูด้วยตนเองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าสาเหตุที่ใจไม่สงบเวลาออกจากสมาธิมาก็เพราะความคิดที่คิดไปในทางความอยากนั่นเองก็คิดอยากได้นูน่นอยากได้นี่ ใจก็ไม่นิ่งแล้วใจก็เริ่มกังวนกวายกับกะสายขึ้นมาแต่พอหยุดความคิดหยุดความอยากห้ามไม่ให้ไปคิดในทางนั้นได้ก็จะทำให้ใจกลับมาสงบได้วิธีที่จะทำให้ใจไม่คิดไปตามความอยากต้องคิดไปตามความเป็นจริงความเป็นจริงของสิ่งที่ใจอยากได้นั้น มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขอย่างเดียวมันเป็นความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่มันหมดไปความสุขต่างๆที่ใจอยากได้ในโลกนี้เป็นความสุขที่ไม่ถาวร น, นั่นเองจึ ง, งศึกษาจึงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตร ล, ลักษณ์เป็นอนิจจังไม่เที่ยง เมื่อไม่เที่ยงมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลามันหมดไปเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของผู้ผู้ที่ได้ครอบครองมาได้มาครอบครองเป็นสมบัติชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการแยกกันไปจากกันไปพัดภากจากกันพอเห็นว่ามันเป็นตายรักษณ์ใจที่เคยคิดอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็หยุดหาหยุดคิดทันที พอหยุดคิดหยุดอยากความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิก็จะกลับคืนมาโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปนั่งในสมาธิก็ได้ใ น, ในที่สุดพระองค์ก็ส่งคนพร้อมการที่จะทําให้ใจมีความสุขตลอดเวลาตอนต้นก็ต้องทําใจให้สงบด้วยสติแล้วพอสงบด้วยสติแล้วขั้นต่อไปก็ให้รักษาความสงบด้วยการใช้ปัญญา ใช้ไตลัรักให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปไม่ว่าจะได้อะไรมาเดี๋ยวจะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์ตั้งแต่พอได้มาเลยพอได้อะไรมาปั๊บก็หวงแล้วก็หวงนะถ้าเราได้อะไรมาเราชอบเราลักเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยเรื่อยเราก็กังวลแล้วกลัวว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่เพราะว่าบางที จะมีคนอื่นมาแย่งไปก็ได้ข้าวของเงินทองได้มานี่พอได้มาแล้วต้องคอยดูแลไหซื้อรถมาแล้วนี่จะจอดทิ้งไว้ทิ้งกุญแจไว้ในรถว่าไม่มีใครจะเอาไปไหมพอซื้อรถมาแล้วทีนี้ทุกข์กับรถหรือเปล่าห่วงรถหรือเปล่าห่วงรถหรือเปล่ามีความกังวลกับรถหรือเปล่านั่นแหละเป็นความทุกขก์เกิดขึ้นมาแล้วความสุขที่ได้จากรถก็ช่วงที่เรา ต้องการมันพาเราไปไหนมาไหนแต่ช่วงที่ไม่ได้ใช้มันช่วงนั้นเราก็ต้องมาทุกข์กับมันต้องมากังวลมาห่วงแล้วต้องมาคอยดูแลรักษาอีกต้องคอยล้างให้มันคอย เ, อเติมน้ำมันเติมลมเวลาเสียก็ต้องเอาเข้าอ้อซ้อมเนี่ยรูนกายเป็นความทุกข์ทั้งนั้น ถ้าไม่มีรถเสอย่างสบายไหมสบายไม่ต้องมาทุกกับรถอยากจะใช้รถก็ใช้แท็กซี่สบายกว่ายังมาเสียงเงินปั๊บเดียวต้องการทเรียนนี้โทรได้เรียกได้ภายในไม่กี่นาทีก็มารับไปแล้ว <c oughs> อยากจะไปไหนมาไหนสบายกว่าถึงที่จะจอดก็ไม่ต้องหาที่จอดรถให้เหนื่อยยากถึงที่ก็จ่ายเงินแล้วก็ลงไปได้เลยถ้ามีรถเองก็บางทีต้องขับเวียนหาที่จอดอีก บางทีก็ต้องไปจอดไกลจากที่เราต้องการไปอีกจอดแล้วก็ยังต้องเดินมาอีกเนี่ยนี่พอมีอะไรแล้วคิดว่าจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่ามันมีความทุกข์ติดมาด้วยต้องมีปัญญาถึงจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันจะมีความทุกข์ตามมาเสมอพอเห็นความทุกข์จากการมีสิ่งต่างๆความอยากได้สิ่งต่างๆมันก็ไม่เอาดีกว่า เอามาทำไมเอามาแล้วทุกเนี่ยระหว่างรถยนต์กับไม่มีรถยนต์อย่างไหนสบายกว่ากันถ้าอยากจะไปไหนมาไหนก็ใช้รถโดยสารรถสาธารนณะแท็กซี่อะไรไปสบายกว่าแต่ถ้าไม่อยากจะใช้รถก็อยากไปไหนสิเพราะถ้าทำใจให้สงบหยุดความอยากแล้วความอยากไปไหนมันก็ไม่มีอยู่ดีมันอยู่กับที่ได้ ถ้าเราทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขแล้วก็ไม่มีความเจนเป็นที่จะต้องไปไหนมาไหนไปหาความสุขจากที่ไหนต่อไปที่เรายังต้องไปไหนมาไหนอยู่เพราะใจเราไม่มีความสุขอยู่ที่บ้านก็ไม่สุขก็เลยต้องออกนอกบ้านไปหาความสุขนอกบ้านพอหาความสุขนอกบ้านเสร็จก็อยากจะกลับบ้านอีกแล้วก็ต้องเดินทางไปเดินทางมากิ่งไปกิ่งมาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย นี่ลหละคือปัญญาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ติดมาด้วยถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้อยู่กับความสงบพอแล้วทำใจให้สงบดีกว่าหยุดความอยากดีกว่าพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนให้ให้หยุดความอยาก พอหยุดความอยากได้ความสงบก็จะกลับมาพอกลับมาความสุขกลับมาก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากอีกต่อไปต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจนี่แหละคือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าวิธีที่จะทำให้ใจสงบให้มีความสุขตลอดเวลาต้องกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจความรู้นี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะต้องหาความสุขแบบชั่วคราวไปหาความสุขตอนเข้าสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาความสุขก็หายไปแล้วความวุ่นวายใจก็จะตามมาแต่ถ้ารู้ว่าเหตุที่ทำให้ใจวุ่นวายเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็คือความอยากต่างๆพอหยุดความอยากต่างๆได้ด้วยการเห็นความจริง ว่าการไปหาสิ่งที่อยากได้นั้นไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขใจก็จะไม่อยากจะหาอะไรไม่อยากจะมีอะไรต่อไปใจก็หยุดอยากพอหยุดอยากใจก็จะสุขจะอิ่มตลอดเวลาจะไม่มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาในใจอีกต่อไปจะไม่มีการไปเกิดไปมีร่างกายใหม่อีกต่อไปเพราะไม่ต้อง ใช้ร่างกายหาความสุขแล้วมีความสุขในใจด้วยสติด้วยปัญญาพอแล้วถึงเมืองพอแล้วถึงเมืองอิ่มเมืองพอเมืองอิ่มนี้ท่านเรียกว่านิพานนีนิพานคือใจที่อิ่มที่พอใจที่ปราศจากความอยากความต้องการต่างๆนั่นเองอันนี้แหละคือวิธีที่จะทาให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย พอใจเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังต้องอาศัยร่างกายอยู่พอแก่หน่อยก็เดือดร้อนนะผมหงอกเส้นเดียวก็เดือดร้อนกันนะมีสิวมีฝ้าหนังเหี่ยวหนังยศขึ้นมาหน่อยก็เดือดร้อนกันแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็เดือดร้อนกันแล้ว ยิ่งถ้าหมอบอกว่าเป็นโรครักษาไม่ได้จะต้องตายภายในสามเดือนหกเดือนที่นี้เดือดร้อนไปตลอดเนี่ยแต่ถ้าสามารถหาความสุขจากความสงบได้จะไม่เดือดร้อน แ, แก่ก็แก่ไปสิ เราไม่ได้แก่เนี่ยร่างกายแก่เราไม่ได้แก่เราไม่ได้พึ่งร่างกายแล้วมันจะแก่ก็แก่ไปมันจะเจ็บก็เจ็บไปมันจะตายก็ตายไปเราก็ยังมีความสุขได้เหมือนตอนที่ไม่ตอนที่มีร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาของโลกของพวกเราทุกคนปัญหาอยู่แค่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่เราไม่รู้จักว่าความสุข ที่ไม่มีความทุกข์อยู่ที่ตรงไหนได้จะรักษาความสุขที่ไม่มีความทุกข์นี้ได้อย่างไรหลังจากที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้านี่เองพอมีปัญญาแล้วก็จะสามารถทําใจให้สงบให้สุขไปได้ตลอดไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปก็จะไม่ต้องทุกข์กับอะไรอีกต่อไป ร่างกายตายไปก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมาดิน้นรนมาปากกัดตีนถีบหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยละาเพื่อที่จะได้หาเงินไปหาความสุขแบบปฏิวปดาวหาแล้วก็หมดแล้วก็ต้องหาใหม่หาใหม่ก็หมดอกีกเป็นอย่างนี้ไปจนวันแกวันเจ็บวันตายแล้วก็กลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่อย่างนี้ไปเรื่อย ตราบใดที่เรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขไปตลอดเนี่ยพระพุทธเจ้าหลังจากตัดสรู้มาแล้วสองพันกว่าร้อยปีนี่ใจของพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังมีความสุขยังสบายอยู่ไม่ต้องดิ้นนนเหมือนพวกเราไม่ต้องไปหาร่างกายมาใช้เป็นเครื่องมือ อยู่กับใจที่สงบใจที่มีความสุขที่เรียกว่านิบบานังปรมังสุขขังนั่นเองนี่คือเรื่องของการทำหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่ต้องใช้ร่างกายที่เราจะไม่ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายกับการมีร่างกายอีกต่อไปเราต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนเรียกว่าคันธทุระ เมื่อได้ศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเรียกว่าวิปัสนาธุระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมรรคผลนิพพานคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ตามลาดับก็จะปรากฏขึ้นมาจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำหน้าที่ของชาวพุทธจึงขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้แก่พวกเราที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยาถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสากลัง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 จันโทปณาราโสยธามณโชติอราโสยธาสัภิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวะโตอันตรายุสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนศีลิตะนิจังวุฒาปจายโนจต่า พระรธรรมวัฏานติอายุวันโสุขังปาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง facebook เข้ามาทั้งหมด230คน youtube 285คนวิทยุออนไลน์24คน พูดและฟังบนเขาสองร้อยหนึ่งคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสี่สิบคนครับผมอมวันนี้คนมาเยอะหน่อยปกติก็ร้อยกว่าสองร้อยนี่ถือว่ามากกว่าปกติอตอนนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็ เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ขอให้ถามในช่วงที่เรากำลังประชุมกันอยู่ถ้าเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตงดตอบคำถามถ้ายังไม่มีใครถามก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อนคำถามต่อไปจากคุณจิระวดีกราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะถามค่ะ บุพการีของโยมคิดว่าฆ่ า, าสัตว์เป็นอาหารแล้วไม่บาปเขาอาสาเป็นอาหารยังคิดว่าตนศีลดีแนะนำอย่างไรไม่เชื่อโยมว่าเฉยเลยไดไหมคะได้ก็บอกแล้วถ้าเขาไม่เชื่อก็คนที่จะหยุดได้พูดไปก็เขาก็ไม่ฟังอยู่ดีแต่การกินอาหารกินเนื้อสัตว์นี้ไม่บาปนะถ้าไม่ได้ไปฆ่าเขา คนที่ฆ่าเนื้อสัตว์นี่บาปแต่คนที่ซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายมาแล้วมารับประทานนี้ไม่บาปคำถามจากคุณกำพลหงทองเตรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราเลิกทำงานและใช้ชีวิตแบบพอเพียงและถือศีลและเพื่อนๆว่าเรา ไม่อยากทำงานเราควรอธิบายเหตุผลให้เขาทราบไหมครับหรือปล่อยวางกับคำถามนั้นครับถ้าไม่จำเป็นต้องอธิบายก็อย่าไปอธิบายเสียเวลา <ț accountant> เขาจะพูดยังไงก็ปล่อยเขาพูดไปเราทำอะไรของเราเราก็ทำไปอันนี้นอกจากเขาถามกขอยากจะรู้ว่าทำไมถึงไม่ทำงานเขาบอกมีงานอย่างอื่นทำไม่ใช่ไม่ทำงาน ยุดงานภายนอกแต่มีงานภายในให้ทํางานภายในนี้สําคัญกว่างานภายนอกเพราะผลที่ได้รับจะเป็นผลที่มีคุณมีประโยชน์ต่อกว่างานภายนอกคําถาม <c oughs> จากคุณรัตดาวน์พุมมะลี <c oughs> นมัสการขา่าหลวงพ่อ <c oughs> ถ้าเราอุทิศบุญให้ศพไร้ชาติในสุสานเขาจะได้บุญไหมคะแต่ไม่ใช่ญาติเรา ถ้าเขารอรับบุญอยู่ก็ได้เราสามารถดุทิศบุญให้กับสัตว์ประสาทั้งปวงได้ก็เพียงแต่พูดว่าขออนิจตุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ไรยิ <pas sti> ผู้ที่ต้องการส่วนบุญนี้ก็มาขอรับไปได้แต่เราไม่รู้ว่าผู้ที่ตายไปนั้นเขาอยู่ในฐานะไหนบางทีเขาเป็นเศรษฐีบุญเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมาร อ, อรับบุญ ถ้าเป็นเขาเป็นขอทานนี่เขาก็จะมารอรับบุญเพราะตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาทําบุญน้อยทําบุญบะทําบาปมากเลยไม่มีบุญมาเลี้ยงเขาเลี้ยงดูเขาเขาก็เลยต้องไปตามวัดตามสถานที่ที่มีคนทําบุญแล้วก็รอให้เขาอุทิศบุญให้หมแล้วก็อออ่าเดี๋ยวมีคาถามส่งไมโครโฟนมาทางนี้หน่อยนีย ข้กัดค่ะหลว่อค่ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อบอกว่าอาวิชชาไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดขันห้าคือถ้าอาวิชชาปัจจะยาสังขาราอภิสังขานั้นทำให้เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณและววิญญาณนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป ไม่ใช่เกิดไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นปัจจัยให้มันทำงานเป็นปัจจัยให้นามรูปทำงานอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็พูดไม่ได้ว่าวิชาเป็นปัจจัยให้นามรูปทำงานเพราะว่าวิญญาณตัาหาที่เป็นปัจจัยให้นามรูปทางานได้ม่ใช่วิญญาณมีสองวิญญาณวิญญาณที่เป็นจิตใจกับวิญญาณที่เป็นขันที่พูดถึงนี่เป็นวิญญาณขัน วิญญาณขันไม่ใช่วิญญาณที่เป็นจิตใจวิญญาณเป็นจิตใจนี่เป็นที่ตั้งของอวิชาของตั้งของขันอีกทีหนึง่งในจิตใจนี้มีอวิชาที่คอยผลักดันให้ขันปรุงแต่งไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยคือความหมายเป็นอย่างนั้นค่ะขอบคุณค่ะอีกคําถามหนึ่งอะคะอ่ะอโยมชอบ ฟุ้งปรุงแต่งอะไรไปในขณะที่สวดมนต์นะคะมันยังยังเอาเอาไม่ค่อยอยู่เลยอยู่ครั้งหนึ่งก้มลงกราดแล้วก็เห็นเป็นแสงมันพุ่งออกไปจากตัวแล้วโยมก็สงสัยว่ามันจะไปไหนแล้วทีนี้ จิตมันก็คงจะปรุงแต่งไปนะคะมันเป็นเป็นภาพดาวหางขึ้นมาค่ะหลวงพออ่อมันก็แล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆโ ย, ยมก็บอกว่าอ้าวจิตส่งออกนอกแล้วออดึงกลับมากลับมาก็มาดูว่าตัวมันนั่งอยู่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็สงสัยว่า้ดาวหางมันจะไปทางไหนก็หันไปตามมันอีกแล้วก็กลับมาดูกลับมาดูตัวเองก็เห็นว่ามีตัวดูตัวที่นั่งอยู่กลับไปกลับมาแบบนี้คะ่ะจนในที่สุดมันก็จบลงตรงที่ว่า เอออย่างนี้พอตอนตายแล้วมันจะไปไหนก็ไม่รู้ไปตามความหลงตามอาวิชชาเนี่ยอวิชชาก็พาไปถึงให้มาหยุดอวิชชาด้วยการสวดมนต์ด้วยการพุทโธเนี่ยพอสวดมนต์มันก็จะหยุดการทำงานของอวิชชาหยุดสังขารควา ม, มคิดปรุงแต่งทีนี้มันแต่งทั้งตรงที่ ดูจิตแล้วแต่งทั้งดูกายมันก็แต่งอย่าไปดูดูมันดูมันหยุดมันไม่ได้ต้องใช้สติหยุดมันใช้ปัญญาหยุดมันอืมค่ะก็คือกลับมาพุทโธหรือว่ากลับมาสวดนต์ต่อกลับมาพุทโธทําจิตให้สงบก่อนสงบแล้วพอมันอยากได้อะไรก็ใช้ไตรักมาสกัดความอยากอหน้าวิชาก็จะถูกตัดไปค่ะน้าวิชาคือไม่เห็นไตรลักษณ์เข้าใจไหมเห็นว่าเป็นสุขเห็นเห็นนิจังสุขขังอัตตา ที่ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือปัญญาเราอาความจริงมาสอนใจเพื่อทำลายความหลงเขาวิชาที่ไปเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตต า, าพอเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอวิชาก็หยุดสัง่งสังขารให้ไปหาลูกเสียงกลิ่นลด ขออีกคำถามค่ะหลวงพ่อคะหลว ง, งพ่อเคยอธิบายเรื่องสุญญาตามหาสุญญตาแต่ตอนนี้โยมจำไม่ได้แล้วว่าค่ะแล้วก็เพื่อนโยมเขาไปไปรีทรีมาแล้วเขามาคุยเรื่อง e m p t i n e s s กันนะคะโยมก็เลยสงสัยว่าคำว่า e m p t i n e s s นี่มันอย่างเดียวกวับที่เขาก็มันมีลาย e m p t i n e s s ก็ต้องถามว่าเสีว่าคุณหมายถึงอะไรอยู่ในห้องคนเดียวไม่มีข้าวมีของเงินทองมันก็ empty เหมือนกัน มันมีเอ p มตเนื้อหลายอย่างทางฟิสิก a l ก็มีทางเมน t ทลก็มีเวลาใจว่างไม่คิดปรุงแต่งมันก็เอ p มตีะแต่อันนั้นไม่ใช่สุญญาตาใช่ไหมคะก็มันสุญญาตามันก็มีหลายความหมายแหละเ แ, แต่เราจะว่ามันสุนแบบไหนไง ศูนย์แบบไม่มีกิเลสก็เป็นนิพพานค่ะศูนย์แบบไม่เคยมีความคิดปรุงแต่งก็เป็นสมาธิไงอืมมันมีหลายศูนย์ด้วยกันว่างหลายหลายแบบด้วยกัน <c oughs> เวลาไม่มีแฟนก็ว่างอยู่แบบหนึง่งเวลาตกงานก็ว่างอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นภาษามันต้องพูดให้มันเข้าใจว่าว่างแบบไหนพูดถึงเรื่องไหนค่ะขอบพระคุณค่ะ ใช่ไมเวลาไม่มีแฟนอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายั้ย <laughs> มีคำถามจากคุณโพลินัทโซดาเราจะพิจารณากายให้แจ่มแจ้งได้อย่างไรเจ้าคะก็ต้องคิดถึงมันคิดถึงอาการต่างๆของร่างกาย เราเห็นเพียงห้าอาการเท่านั้นแต่ร่างกายมันมีมากกว่าห้าอาการอาการใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูมีสามสิบสองแต่เราเห็นเพียงห้าเห็นผมขนเล็บฟันหนังยังไเห็นใครก็เห็นนค่ผมขนเล็บฟันหนังเลยไม่เคยเห็นเนื้อเอ็นกระดูกไม่เคยเห็นตับไตลำไส้ ไม่เคยเห็นอุจจาระปัสสาวะไม่เคยเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในร่างกายนี้เหมือนกันนีถ้าอยากจะเห็นก็เนี่ยไปเปิดหนังสือดูอาการสาสิบสองแล้วก็คิดถึงรูปภาพของอาการต่างๆต่อไปเวลาเห็นใครก็จะเห็นเองเห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเห็นกระดูกเห็นอะไรต่างๆที่ตาเนื้อมองไม่เห็นแต่ตาในคือปัญญาจะเห็น ถ้าเราสอนมันให้ดูสอนให้มันนึนกภาพนึกภาพของโครงกระดูกนึกภาพถึงหัวใจถึงปอดถึงลำไส้เนี่ยต่อไปเราก็จะเห็นร่างกายชัดเจนนี่ก็เป็นเห็นมิติหนึ่งอีกมิติหนึ่งก็ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่มันเกิดมานี่มันเปลี่ยนไปทุกวันเนะตอนเกิดมาก็จเจริญเติบโตโตเป็นหนุ่มเป็นสาว พอโตเต็มที่ก็เริ่มแก่ลงไปแล้วก็เริ่มเจ็บแล้วในที่สุดก็ตายก็หายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเนี่ยนี้ก็อีกแบบหนึง่งดูได้หลายแบบด้วยกัน ม, มีคำถามจากคุณรุ่งโพชัยคะ่ะกราบเรียนถามครับ มีสีห้าไม่บริบูรณ์ยังเป็นโสดาบันได้หรือไม่ครับเพราะมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าได้เป็นโสดาบันมันไม่ได้อยู่ที่มีสีห้าหรือไม่มีสีนหน้ามันอยู่ที่ว่าตัดสังโยชน์ได้เปล่าตัดความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราได้หรือเปล่าปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าปล่อยให้ร่างกายแก่ให้ร่างกายเจ็บให้ร่างกายตาย โดยไม่รู้สึกเดือดร้อนได้หรือเปล่าอันนั้นแหละถึงจะเป็นโสดาบันได้แต่การจะไปเห็นแบบนั้นได้ก็ต้องมีศีลก่อนมีศีลเพื่อจะได้ไปนั่งสมาธิได้เมื่อ น, นั่งสมาธิได้แล้วถึงจะใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราได้ต่อไป คำถามจากคุณเนโกจงังกราบในมัสการพระอาจารย์การสวดมนต์กับการใส่บาตรได้อานิสงส์เหมือนกันไหมเจ้าค ะ, ะเป็นบุญคนละอย่างเป็นบุญคือความสุขใจเหมือนกันแต่เป็นวิธีได้มาได้คนละแบบกันเหมือนกินอาหารกินข้าวก็ได้ความอิ่มกินกว๋วยเตี๋ยวก็ได้ความอิ่มกินฟาสต์ฟู้ดก็ได้ความอิ่ม แต่เป็นอาหารชนิดต่างๆส่วนมนก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งของใจใสาบาดก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งของใจก็ให้ความอิ่มใจเหมือนกันคำถามจากคุณพรพิมลนาสมบัติการแผ่เมตตาให้ลูกในใจจะถึงลูกไหมคะถ้าการแผ่นี้ต้องแผ่กับคนที่เราพบปะต้องเจอกันถึงแผ่ได้ ถ้าแผ่โดยที่ไม่เจอกันก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขารอรับการแผ่เมตตาของเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ต้องแผ่ตอนที่เจอกันเนี่ยใช่นเวลาเราเจอใครเราก็สวัสดีจ้าเนี่ยแผ่เมตตาแล้วคำว่<ม> า, าสวัสดีแต่สวัสดีคนเดียวไม่ใครจะไปรู้นั่งอยู่คนเดียวสวัสดีจ้าใครจะมาจ้ากับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ ต้องมีคนรับมีคนให้ไม่ใช่อยู่คนเดียวก็โสดแผ่ให้ไปสับประศั์ทั้งปวงอันนั้นไม่ได้มายความหมายแบบนั้นคำว่าสับปรสัสต์นี้หมายถึงให้เราอยา่าให้เรามีความเมตตาต่อสับประสัส์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนคนหรืมเดราชานเวลาเจอเขาให้ความเมตตากับเขาความหมายอยู่งนั้นไม่ใช่มานั่งสวดแบบ ส, ส่งแบบกระจายเสียงไปตามสถานีวิทยุ กระจายไปให้สรรพสัตว์ทั้งปวงนั้นไม่ใช่นแล้วการสวดนี้ก็เป็นการศึกษาเป็นการซ้อมเหมือนนักมวยก่อนจะขึ้นไปชกเขาต้องซ้อมก่อนถ้าไม่ซ้อมเดี๋ยวขึ้นไปก็ถูกนอกอันนี้ก็เหมือนกันต้องซ้อมต้องสอนใจว่าเวลาเจอใครต้องยิ้มให้เขาต้องสวัสดีเขาไม่ใช่พอเจอกันก็หน้าบึ้งขึ้นมา อันนี้ต่างหาถ้าซ้อมไว้ก่อนถึงแม้จะอยากจะน่าบึ้งเขาเห้ไม่ได้ไว้หน้าบึ้งไม่ได้เราต้องยิ้มให้เขาเราต้องสวัสดีเขาแต่ถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนพอไปเจอคนที่ไม่ชอบขึ้นมาก็หน้าบึ้งใส่เขาทันที แต่ถ้าซ้อมไว้ว่าไม่ดีหน้าบึ้งไม่ดีต้องยิ้มดีกว่าพอเจอใครถึงแม้จะไม่ชอบเขาก็ยิ้มให้เขาไปก่อนพอยิ้มให้เขาแล้วโอ้ยเขาดีใจเขาคิดว่าเราจะหน้าบึง้งพอเห็นเรายิ้มนี่โอ้ยเขาตกใจเลยเขาแปลกใจเลยเข้าใจไหมนอนแผ่ต้องแผ่ต่อหน้ากันต้องมีผู้ให้กับผู้รับแต่ถ้าอยู่คนเดียวนี้ไม่เรียกว่าแผ่เป็นการเตรียมตัว เป็นนักมวยเป็นการซ้อมชกเลยจะโชคจะรู้ว่าโชคได้ไม่ได้ต้องขึ้นเวทีตอนนั้นต้องมีคู่ตอ่อสู้แต่จะรู้ว่าสู้เขาได้ไหมพอไปเจอใครเนี่สู้กับกิเลสความโกรธได้ไหยเวลาเราโกรธใครแล้วเราเปลี่ยนใจเราไม่โกรธเขาดีกว่าอย่างนี้ได้เปล่าถ้าไม่ได้ก็ซอบก็สอบตกต้องไปซ้อมใหม่หมดแล้วเนลย่ย มีอีกสองคำถามนะคะคำถามจากคุณรัต ด, ดวันพุมูมาริถ้าเราสมาทานศีลห้าแล้วสวดอิติปิโสอย่างเดียวไม่นั่งสมาธิได้ไหมคะก็ได้แต่ไม่ได้ไม่ได้บุญจากการนั่งสมาธิเหมือนกินข้าวกินข้าวกินกับพอแล้วไม่กินขนมหวานไม่กิน ไอเต็มไม่กินทุเรียนมันก็ไม่ก็ได้ไม่มีใครห้ามไม่อยากจะกินก็ไม่ต้องกินนะสมาทานศีลสวดมนต์เสร็จแล้วจะไม่นั่งสมาธิต่อก็ได้แต่ก็จะไม่ได้ผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิคำถามจากคุณสุภาชัยการทำความเพียรให้มั่นคงมีวิธีที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติใหม่ครับ ก็ทำตามเวลาสิเรากาหนดเวลาวันนี้เวลานี้จะต้องทาอย่างนั้นทางนี้ก็ทำมันทุกวันไปเช่นใส่บาตรนี่จะต้องใส่บาตรทุกวันถ้าทำทุกวันมันก็มั่นคงถ้าทำตามอารมณ์มันก็ไม่มั่นคงวันไหนอยากจะตื่นก็ตื่นวันไหนไม่อยากจะตื่นก็ไม่ตื่นมันก็ไม่ได้ทำความเพียรแบบมั่นคงแต่ถ้าทำความเพียรแบบมั่นคงก็ต้องมีอธิษฐานสัจจะ ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะใส่บาตรทุกวันยกเว้นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความสามารถที่จะเติ่นขึ้นมาได้นอกนั้นแล้วจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจพอถึงเวลามันจะเติ่นขึ้นมาแล้วก็จะรีบลุกขึ้นมาเตรียมกับข้าวกับปลาอาหารไปใส่บาตรถ้าไม่มีความตั้งใจไม่มีสัจจะอธิษฐานมันก็ แต่ไม่มีการเตรียมตัวนึกอยากจะทำก็ทาไม่อยากจะทำก็ไม่ทเอย่างนั้นถ้าอยากจะให้มีความเพียรที่มั่นคงต้องมีสัจจะอธิษฐานต้องมีการตั้งตั้งใจไว้ล่วงหน้าก่อนต้องมีสัจจะความจริงใจต่อการตั้งใจของเรามีคาถามจากคุณ สั่งรอดตากสีกราบในมัสการครับหลวงพ่อเราต้องสวดมนต์ก่อนนั่งมิปั ส, สนา ท, ทุกครั้งหรือเปล่าหรือว่านั่งพุโทโธได้เลยในแต่ละวันแล้วต้องแผ่เมตตาในทุกๆครั้งที่นั่งเสร็จหรือเปล่าครับการสวดไม่สวดนี้แล้วแต่เราจะสะดวกถ้าเราสวดถ้าเรานั่งนั่งเราพุโทโธไม่ได้สวดไปก่อนก็ได้สวดไปแล้วพอใจเริ่มเย็นเริ่มเบาลงก็ค่อยพุโทโธต่อไป ถ้าใจเราเย็นเราเบาอยู่แล้วพุทโธได้ก็พุทโธไปเลยส่วนเมตตาแผ่เมตตาแผ่ไม่ได้แผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่ไปเจอกันเนี่ยตอนที่สวดนี่เป็นการเตรียมใจเตรียมตัวเป็นการซ้อมเท่านั้นเองก็ควรจะซ้อมเวลาสวดแผ่เมตตาต้องเข้าใจความหมายว่าเราสวดอะไรเพราะว่าเราต้องเอาไปใช้ต่อไปเราต้องไม่โกรธใครไม่เรียกไม่มีเวรกับใคร ไม่จองเวรจองกรรมก็ต้องให้อภัยเขาเราต้องการให้เขามีความสุขเราก็ต้องมีขนมมีอะไรไปฝากเขาเวลาเจอเขาหรือทำอะไรดีๆให้กับเขาเขาก็จะได้ความสุขนี่อันนี้เราต้องคิดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วพอเราเจอเขาเราจะได้ทำถูกเราจะได้แผ่ได้คำถามจากคุณคุณตั้ม ถ้านั่งแล้วตกไปอยู่ในโมคาสมาธิคือหลับตลอดควรทำอย่างไรควรลืมตาแล้วตั้งใหม่ไหม่ครับก็ <S <S ควรจะลุกขึ้นมาเดินก่อนแสดงว่าไม่มีสติพอที่จะนั่งได้ก็มาสร้างสติด้วยการเดินก่อนเดินจงกรมไปมาแล้วพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก่อนจนรู้สึกเมื่ออยากจะนั่งแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่ คำถามจากคุณจิตน้อยกราบนมัส ก, การเจ้าค่ะอยากเรียนถามว่าช่วงที่ลูกชายเป็นวัยรุ่นเขาไปเที่ยวไม่กลับบ้านมีหมอดูมานั่งที่ร้านและให้เราเอาแผ่นทองมาเขียนชื่อและให้เราเอาไปไว้ในหิ้งพระเพื่อให้เขากลับบ้านเขาโตแล้วเราอยากจะเอาลงจะเป็นอะไรใหม่คะช่วงนั้นทุกใครแนะนำอะไรก็ทำหมดค่ะ ก็มันตั้งของมันอยู่นั่นก็ปล่อยมันตั้งไปก็ได้ไม่ต้องเปเอามันลงมาลงแล้วไม่ลงมันก็ไม่มีผลแต่อย่างใดอยากจะเอาลงก็ลงได้เดี๋ยวเปลี่ยนใจก็เอาขึ้นไปใหม่อีกเดี๋ยวใครก็มาพูดอะไรก็เชื่อเขาอีกเนี่ยเนี่ยปัญหาของการความโง่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้มันก็เลยเชื่อไปตามใครก็พูดอะไรก็เชื่อไปพอทาแล้วไม่ได้ผลก็อยากจะเปลี่ยนวิธีใหม่ไปเรื่อย คำถามจากคุณสุพัชศักดิ์กราบธรรมชาการพระอาจารย์ครับถ้าเราคิดอะไรขึ้นมาในทางธรรมแล้วเกิดอาการปีติคนลุกคนพองแสดงว่าเราคิดถูกต้องใช่ไหมครับเช่นเราเห็นว่าความคิดเป็นพลังงานแล้วเรารู้สึกแยกมาทำให้ในหัวสมองรู้สึกเบาสบายก็ความคิดของเราเนี่ยคิดให้สุข ก, ก็ได้คิดให้ทุกข์ก็ได้ ถ้าคิดแล้วสุกก็แสดงว่าเราเราฉลาดถ้าคิดแล้วทุกก็แสดงว่าเราโง่ก็ เ, เท่านั้นเองหมดแล้วเหรอยังมีอีกมีคำถามสุดท้ายค่ะจากคุณออโรแมนถ้าลูกถือศีลแปดและปฏิบัติธรรมพ่อกับแม่จะได้กุศล น, นี้อัตโนมัติด้วยหรือไม่ครับก็ได้ความดีใจได้ความสุขใจที่เห็นลูกเป็นคนดีลูกไม่กินเหล้าเมายา ถ้าไม่ถือศีลเดี๋ยวลูกไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวเตไปเซไปเที่ยวมั่วสุมอะไรกันฮะพ่อแม่ก็ทุกข์ไปกับการกระทำของเราพอเราไม่กระทำสิ่งที่ไม่ดีพ่อแม่ก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่นี่เป็นผลพลอยได้ผลที่ได้จากการรักษาศีลผู้ที่ได้ ผลจากการรักษาศีลคือตัวเราเราจะได้เป็นคนดีไม่ไปทําสิ่งที่เสียหายกับตัวเราเองหรือกับผู้อื่นอันนี้เราเป็นคนรับอันนี้พ่อแม่ไม่ได้รับพ่อแม่ได้ความสุขใจเบาใจสบายใจว่าเออลูกเราไม่เที่ยวแล้วนะลูกเราไม่ดื่มเหล้าแล้ ว, ลวไม่เล่นการพนันแล้วไม่สซ้ำสอนแล้วถ้าอย่างนี้เขาก็มีความสุข